สวัสดีในขณะนี้กำลังอธิบายถึงเรื่องมองคลก็จะไล่ไปเรื่อยๆจากที่แล้วมาแล้วก็มาถึงอรติวิรติป่าเอาคำเดียวนี้เท่แปลว่าอย่าไปยินดี ให้ละเว้นจากบาปคําพูดเพียงเท่านี้สามารถที่จะกินเนื้อความของมนุษย์ได้ทั่วโลกและสามารถที่จะทําให้มนุษย์เป็นบุคคลดีได้ทั่วโลกเพราะว่าคนที่ไม่ดีนั้นคือการทําบาปการทําบาปหมายถึงการทําความชั่ว การทำความชั่วนั้นน่ะผิดศีลเช่นอย่างผิดศีลห้าฆ่าสัตว์ขโมยของเขาประพฤติกาเมสุมิจฉาจารผิดรูปเมียคนอื่นโกหกหลอกลวงกินเหล้าเมาสุรายาเสพติดซึ่งล้วนแต่เป็นความชั่วทั้งนั้นความชั่วเหล่านี้เมื่อทำแล้วคนนั้นก็จะกลายเป็นคนชั่วเมื่อกลายเป็นคนชั่วก็เขาเรียกว่า เออนสียาโนอันนี้ก็ลืมไปแล้วก็เขาว่าอย่าเป็นคนโรคโรกคือตามธรรมดาคนที่ทำความชั่วนี่เขาเรียกว่าคนโรคโลกอยู่มาวก็ทำให้สังคมปั่นปวนอยู่มาวก็ทำให้บ้านเมืองปั่นปนเอออยู่มาวก็ทำให้ครอบครัวปั่นปน อยู่มาก็ทำให้ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนก็ที่นั่นก็ปั่นปนก็เรียกว่าความชั่วนี้มันไม่ดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงชี้แจงว่าอย่าไปยินดีกับมันแล้วก็ให้ละเว้นมันเสียเมื่อเป็นเช่นนั้น บุคคลพูนั้นได้ละเว้นจากความชั่วแล้วเนี่ยบุคคลพู้นั้นก็จะกลายเป็นความดีเป็นคนดีทีนี้คนดีเนี่ยอยู่ที่ไหนก็สบายที่นั่นอยู่ที่ไหนก็ทำให้ที่นั่นมีความเจริญมีความรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นคำว่ามงคลเนี่ยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเนี่ยเราควรที่จะคิด เคยคิดว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงสอนเราอย่างนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความเมตตามีความกรุณาอยากจะให้ผู้คนทั้งหลายพ้นทุกข์อยากจะให้คนทั้งหลายมีความสุขโดยที่พระองค์ได้ทรงโปรยปลายคําสอนต่างๆทีนี้การที่คนทําความช่วยนะเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่าเขาขาดสติ ขาดระลึกขาดระลึกถึงตัวเขาว่าเขาคือมนุษย์ทุกคนทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ก็คือมนุษย์มนุษย์เนี่ยก็แปลว่าผู้มีจิตใจสูงคือมณ ะ, ะก็แปลว่าหัวใจอุตระก็แปลว่าสูงสุดแล้วก็มาผนวกกันเข้าก็ เ, าเรียกว่ามนุษย์ ก็เรียกว่าเป็นผู้มีจิตใจที่สูงสุดจึงได้ชื่อว่ามนุษย์จตนี้มนุษย์ทั้งหลายก็อะไรทำให้เกิดความต่าซาให้แก่ตัวของตนเองโดยที่ไม่คิดถึงว่าตัวเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่ประเสริฐอยู่แล้วหรือเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงอยู่แล้วจึงได้เรียกว่าเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์กับสัตว์อะไรฉันน่ะต่างกัน แต่์จะได้ฉันนั้นแล้ก็คื อ, อที่มีจิตใจไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ร้อยปีพันปีพวกรัวพวกควายต่างๆมันก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นแก้ผ้าก็แก้ผ้าเห่างนั้นไถนาลากเกวียนก็ลากเกวียนอยู่อย่างนั้นร้อยปีพันปีมันไม่เคยพัฒนาตัวมันเองขึ้นมาได้เลย ก็เพราะว่ามันมีจิตใจที่ไม่สูงแค่นี้ไม่เหมือนกันกันกบมนุษย์มนุษย์นี่มีจิตใจสูงสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะทำความชั่วไปแล้วแต่ว่าก็แก้ไขตัวข้นตนเองให้ดีขึ้นอย่างนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้หมายความว่าสามารถกลับตัวกับตนให้เป็นบุคคลที่ดี มีความดีความงามพัฒนาตัวของตัวเองให้มีความสูงส่งขึ้นเราจะสังเกตได้ว่ามนุษย์ทั้งหลายที่ได้เกิดมาตั้งแต่ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนปีมานี่เบื้องต้นก็ไม่ได้นุ่งผ้ามาเดี๋ยวนี้สามารถพัฒนามาจกนกระทั่งนุ่งผ้าอย่างสีวิไลแต่ก่อนก็ไม่เคยมี วิทยุโทรทัศน์ก็ไม่เคยมีรถไฟเรือบินก็ไม่เคยมีโทรศัพท์เอ็กซาเร์อะไรต่างๆบ้านเรือนก็ไม่เคยมีอยู่ในโครงไม้อยู่ในโพรงดินอะไรอย่างเนี้แต่ว่าได้มนุษย์ได้พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งถึงศิวิไลแล้วเขาเรียกว่าวัตถุดิมแต่ว่ามนุษย์ได้ลืม การที่จะพัฒนาทางด้านจิตใจก็เลยทำให้เกิดการขาดสติเมื่อเกิดการขาดสติขึ้นมาแล้วก็เลยทำความชั่วตัวของเขาก็เลยกลายเป็นบุคคลที่เรียกว่า เ, เป็นคนที่ต่ำช้าไปเสียหรือ เ, เรียกว่าบุตุชนอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหตุดังกล่าวมงคลสูตรจึงสอนให้ ผู้คนทั้งหลายนี่พยายามพัฒนาในตัวของตนเองในทางด้านจิตใจให้มีสติให้ละเว้นจากความชั่วทั้งปวงพยายามทําความดีนั่นแหละเราก็จะเป็นตัวของเราเป็นมงคลที่มีความดีที่สูงส่งที่สุดเมื่อสูงส่งที่สุดแล้วผลได้รับคืออะไรก็คือความสุข คนเราทั้งหลายก็ต้องการความสบเพราะฉะนั้นจงพากันละความชั่วเรียกว่าอารติวิรติปาปาอย่าทำเลยซึ่งบาปทั้งปวงสวัสดี